ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องดูดผักหักใจโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่20สบตุลาคม2545นาณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาะบัดนี้ค่ะ อธิบาทตถ้าเราไปใช้จริงๆเนี่ยเวลาเราทํางานทําการเราปฏิบัติอะไรมันจะคอยระลึกถึงอันเนี้ยลึกเลยมันมันจะขึ้นมาเองเลยมันหรือไม่ขึ้นมาเองเราก็พยายามใช้สติของเราเนี่ยคอยเตือนเตือนแล้วก็เอามาใช้เตือนแล้วก็เอามาใช้ แ, ามาใชแม้แต่ความคิดนะหรือว่าจะเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรต่างๆคือมันสามารถจะเอาไป ใช้เอาไปใส่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยถ้ามันเป็นสูตรแบบเนี้ยอาตมารู้สึกว่าบางทีบางครั้งพวกเราฟังจริงเข้าใจใช่เข้าใจแต่เวลาเอาไปปฏิจบจัติจริงๆส่วนใหญ่นะั้นในความรู้สึกของอาตมารู้สึกเราไม่ค่อยใช้หรอกเราก็ทําไปโดยอัตโนมัติของเราส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเคยนึกถึง ที่มีภิกษุอะ่ะเล่าให้พวกเราฟังบ่อยๆ อ, ยอะ่ะที่มีภิกษุอยู่รูปหนึ่งไปบวชในพุทธศาสนาพอบวชเสร็จแล้วก็โอ้โหนาศีนทำไมมันเยอะอย่างนี้นะโอ้โหวินัยอะไรต่ออะไรมันมากมายเหลือเกินรู้สึกว่าไม่ไหวหรอกมันเยอะเกินปฏิบัติไม่ได้แล้วก็เลยท้อไง อ, อยากจะเลิกปฏิบัติอยากจะสึกขาลาเพศไป พักพวกเพื่อนฝูงก็พยายามช่วยกันดึงเอาไว้แต่ไม่อยู่ในที่สุดก็เลยพามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพอามาพามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเสร็จพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกเอ้าถ้าอย่างนั้นก็เอาง่ายๆจได้ไหมอะไรบ้างง่ายๆบอกว่าเอาทำแค่สามข้อก็พอแล้วบอกอะไรอย่างอื่นไม่ต้องไปรู้มากก็ได้ ในเวลามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยทําแค่สามข้อนี้พอถ้าทําได้เนี่ยบอกบวชต่อได้แล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้ทํากายกรรมให้บริสุทธิ์ทําวัจีกรรมให้บริสุทธิ์ทํามโนกรรมให้บริสุทธิ์แค่เนี้ยได้ไหมพี่ชายถามแค่เนี้ยบอกแค่เนี้ยทําได้ไหมพิสุรุมนั้นก็บอกถ้าแค่นี้นะโอ้โหสามข้อแค่นี้สบายมากทําได้แน่นอน ท่านก็เลยบวชต่อแล้วก็ปฏิบัติได้ต่อนั่นแหละจนตาหลังก็คิดว่าก็คงบรรลุธรรมไปแหละซึ่งอาตมาเมื่อเมื่อไม่นานวันนี้ยก็พูดให้พวกเราบางคนฟังนั่นบอกว่าเออเอาอย่างงี้ก็แล้วกันเอาว่าไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องซับซ้อนก็ได้อาตมาเอาเหลือสองข้อไม่ได้ไม่ได้ถ้าปฏิบัติธรรมนี่นะ เอาเหลือแค่กายกับบ่จจีนี่เสร็จเลยอาตมาบอกให้คุณรู้ไม่มีทางรอดเลยไม่มีทางบรลุด้วย เ, เพราะว่าจิตนี่เป็นใหญ่คุณคุณเอากายกับบ่จจีจิตแล้วคุณไปตัดออกได้เสร็จเลยเพราะจิตเป็นประธานเลยนะเพราะฉะนั้นจิตนี่ตัดออกไม่ได้เลยอย่างอื่นยังพอจะตัดออกได้บ้างนะแต่จิตนี่คุณตัดไม่ได้เสร็จอาตมา ก, ก็บอกว่าเอาสรุปง่ายๆสองอย่างเท่านั้นนะ่ะนะเอาภาษาเราพูดง่ายๆก็ แค่เรื่องดูดกับเรื่องผักนะหรือถ้าเป็นภาษาทั่วๆไปก็อาจจะเป็นอะไรอ่ะโทสะกับกามสองอย่างเนี้ยเอาใหญ่ๆ ห, หรือว่ารักกับชังคุณแค่พยายามนะในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราตรวจจิตดูใจเราคุณไปแตะต้องเรื่องอะไรแล้วแต่ตั้งแต่ตื่นนอนจนไปถึงไปนอนตอนกลางคืนเลย คุณไปแตะสัมผัสเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกเลยคำถามถามคุณว่าเอ๊ะเรื่องนี้เราดูหรือว่าเราพลักคุณถามก่อนเออชอบหรือว่าไม่ชอบแค่นี้คุณเริ่มถามตั้งคำถามที่ขึ้นมาถ้าคุณตอบได้แล้วนะหมายถึงว่าเราก็ตรวจตาแล้วนะว่าเรื่องนี้เราชอบหรือว่าเราไม่ชอบคุณตรวจตาเสร็จเรียบร้อย พอรู้ว่าชอบเอาสมมตินะชอบนี่คุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าชอบเราก็ต้องถือว่ากิเลสไปนในทางกามใช่ไหมไม่ชอบก็กิเลสไปนในทางโทสะเพียงแต่ว่าจะเบาหรือว่าจะกลางหรือว่าจะหนักแค่ไหนเท่านั้นเองพอคุณเอาจิตตัวนี้ไปตรวจสอบวัดได้ปั๊บถ้าเป็นตัวดูดใช่ไหมเอา เราลองประเมินดูเลยว่าสักกี่เปอร์เซนต์หรือถ้าคุณประเมินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยคุณจะต้องจับได้ว่าโอ้โหนี่เรายังรักอยู่นะเรื่องนี้จะรักอะไรบ้างอะรักเรื่องเสื้อผ้ารักเรื่องอาหารการกินรักเรื่องการงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคุณจะรักนะพอคุณจับได้ว่าโ อ, อ้นี่เรารักมากเลยพอจับได้ปุ๊บเรารู้อยู่แล้วว่า มันก็เป็นกิเลสสายนี้นะสายกามสายราคะเมื่อเราเรารู้แล้วว่าเอ็นี่ยังเป็นกิเลสอยู่เพรา ะ, ะนั่นพอเราจับได้เนี่ยเราจะต้องปรับแก้จิตเราแล้วใช่ไหมถ้าเป็นกิเลสตัวดูดนี่แก้โดยไงฮะแก้โดยใช่ยังไงก็ไม่มีทางอื่นใช่ไหมมันก็ต้องพลากออกใช่ไหมเพื่อที่จะให้เราอะไรอ่ะได้หัด งดได้หัดเว้นเพราะว่าสิ่งไหนที่เราเนี่ยไปชอบเนี่ยเราก็อยากจะไปเข้าใกล้ถ้าเป็นอาหารการกินก็อยากจะกินเยอะๆอ่าถ้าเป็นเสื้อผ้าสวยๆก็อยากจะเอามาใส่อยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเพราะมันพอเราจับอันนี้ได้วิธีแก้นะถ้าโดยกายกรรมก็าต้องพยายามพาคห่าองออกมาถ้าโดยกายกรรมนะคุณต้องภาคห่าองออกมาถ้าโดยวัจจีกรรมเริ่มยังไง เวลาพูดถึงสิ่งนี้หรือเวลาพูดถึงเรื่องนี้พูดแบบพลากพูดไม่รู้เข้าใจไหมถ้าเราจะพูดแบบพลากอย่างเช่นบางทีเนี่ยเอาถ้าเราชอบสลับเปลวเมื่อเราชอบสลัเปาใช่ไหมถ้าพูดแบบพลากจะพูดแบบไงอ๋อไม่เห็นมีประโยชน์เลย <laughs> โอปืนใจมากเลยนะ <laughs> <laughs> สมมุติว่าเราชอบกินอยู่ พูดแบบาพาก็นั่นแหละก็ถูกนะเราเราอาจจะพูดนะแต่ไม่รู้ใจมันจะยอมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยเวลาเราพูดเราก็ต้องพูดแบบไม่ไปเชียร์มันใช่ไหมไม่ไปหนุนมันหรือบางทีเนี่ยเห็นคนเขาถือมาละเรารู้แล้ ว, ลลวโอ้โหนี่กำลังจะถือมาให้เราเงี้ยถ้าเราจะพูดแบบาพากก็คือพูดยังไงเ<ร> า, เ อ, าอย่ากโกหกนะห้ามโกหกด้วยนะเอาสู้จะไม่อิ่มเอา ยังยังไม่ได้กินเลยเอา้าวเขาถือมาแล้วเนี่ยแต่ว่าจีกรรมไงเราจะพูดเพราะเรารู้ว่าจริงๆเนี่ยโดยจิตของเรามันดูใช่ไหมถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นเขาถือมาบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่จะมาให้เราด้วยถ้าพูดแบบดูนี่พูดยังไงเนี่ยเห็นเขาถือมาเอาเขาไม่ถือมาก็จะเขาเอาเขามาวางไอ้ตรงที่เราจะสามารถจะหยิบจะสามารถจะอะไรได้เนี่ยถ้าพูดแบบดูส่วนใหญ่นะบางทีพูดกับเพื่อนโดยการไปไง โอโ้น่ากินยังเไงนะนี่เขาเรียกว่าพูดแบบดูดอั น, น, นเนี้ยเนี่ยเนี่ยคุณทันไหมถ้าคุณทันอันมาถึงบอกว่าถ้าคุณจับทันนะว่าโอ้โหจี่จิตเราดูดมากเลยเรื่องสลับเปล่านี่เพราะนั้นกายกรรมบอกไปแล้วก็คือพยายามเว้นห่างออกมาใช่ไหมพยายามไม่หยิบเพราะว่าจีกรรมเนี่ยคุณก็ต้องหัดด้วยหัดพูดโดยการพรากมันออกนั่นอย่างเช่นบางทีก็ก็พูดว่า ยังไงเออเอาให้เดี๋ยวเอาไว้ให้เด็กๆ เ, เขากินกันก็ได้นะเขาเด็กๆ ก, ก็เยอะนะมีไม่กี่ใบอะไรเงี้ยนะอันนี้พูดเพื่อที่จะให้แบบว่าลดทอนจิตของเราที่มันจะไปดูดจะไปดูดมันไม่ยอมพัดพรากมันไม่ยอมเสียสลดัดนี่นี่คือวัจีกรรมสูนมโนกรรมคนนี้อันที่ยากที่สุดบางคนเนี่ยกายกรรมก็ทําได้วัจีกรรมให้พูดก็พูดได้ แต่พอถึงมโนกรรมเนี่ยนะเคยจะยินแมาที่เขาบอกว่าเนี่ยทาไม่เห็นตรงกับใจเลยอ่ะคือคือใจอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าพฤติกรรมภายนอกอีกอย่างหนึ่งมันมีเหมือนกันซึ่งบางคนเนี่ยในขณะที่กายกรรมวรจีกรรมนี่เราพยายามพลากละซึ่งจริงๆมันก็ต้องเป็นจิตของเราสั่งด้วยเหมือนกันมันถึงจะพลากแต่ในขณะที่จิตเราสั่งให้พากเนี่ย ให้กายกรรมทําอย่างนี้ให้วัจีกรรมทําอย่างนี้แต่มโนกรรมเนี่ยซึ่งเป็นตัวยากมากๆเพราะว่ามันไวแล้วมันทุกวินาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันสามารถพลิกได้ตลอดเวลาเลยคือความคิดมันลวดเล่นไปได้ไม่หยุดยัง้งเพราะฉะนั้นที่มันยากมันยากตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นครานี้จิตเราเนี่ยจิตเราขนาดว่าสั่งการกายกรรมสั่งการวัจีกรรมเนี่ย แสดงว่าเราจะต้องมีเชื่อของกุศลเนี่ยที่ที่จะตั้งจิตตั้งใจที่จะพลากเนี่ยอย่างน้นนอยๆเราก็ต้องมีขนาดหนึ่งนะใช่ไหมมันถึงจะสั่งให้ทําได้แต่ในขณะที่สั่งให้ทําอย่างนั้นเนี่ยนะคราวนี้แหละเออเช้านี้ก็มีพูดไปถึงอยู่บ้างที่เรียกว่าในขณะที่คุณอดในขณะที่คุณงดมันอยู่เนี่ยนะแต่จิตมันไม่ยอมไง จิตมันมันพยายามเรียกว่าโอ้โหมันดิน้นมันมันสู้เราอะ่ะนะมันพยายามจะไอไอสัญญาเก่าหรือความอร่อยอร่อยที่เราจําได้ในซาลาเปาเนี่ยโอ้โหมันจะขึ้นมาสู้กับคุณใหญ่เลยนะมันจะมาหลอกมาหลอนมันจะมาตามเล่นงานเราเพราะฉะนั้นสําคัญที่ตอนนี้แหละสังเกตไหมตอนไหนที่เราเ อ, อพลาดออกมาโดยที่จิตเราเนี่ย มันไม่ได้มีไอ้สัญญาไม่มีความอยากอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีคุณทำได้สบายๆไม่รู้สึกอะไรเหมือนบางคนเนี่ยเคยบอกว่าไอ้เวลาไม่ตั้งตาบะทำไมทำได้สบายๆแต่พอตั้งตาบะแล้วทำไม่ได้เพราะสภาวะจิตมันไม่เหมือนกันพอคุณตั้งตาบะปุ๊บนี่นะทันทีเลยสภาวะจิตมันแบบว่าอดรนะนาคาเนี่ยไม่ได้แล้วนะแต่ไอ้ตอนที่คุณไม่ตั้งนี่นะ มันมีสิทธิ์ทุกอย่างอยู่แล้วว่าะคุณไม่ได้ตั้งที่แม่เพียงแต่ว่าคราวนี้คุณก็เออไม่กินหล้วคุณก็สบายๆ ส, ยสิเพราะอะไรเพราะจะกินเมื่อไหร่ก็ได้นี่เพราะมัน ม, ม, มันไม่มีอาการบีบคั้นอะไรเราแต่พอคุณตั้งเนี่ยทันทีเลยสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาปั๊บมันจะมีไอตัวสภาพที่เหมือนกับว่าคุณหมดสิทธิ์แล้วนะคุณหมดโอกาสแล้วนะวนะที่คุณจะกินสมมติว่าจะตั้งวันนี้ก็วันนี้ทั้งวันคุณก็หมดโอกาสกินแล้วนะ ไอ้ไอ้ไอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะจิตมันต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่เรียกว่าพอไม่ตั้งเนี่ยไอ้สภาพบีบคั้นของกิเลสเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่มันไม่แรงแต่พอคุณตั้งไปปั๊บนี่กิเลสมันดิ้นไงอาจมาถึงบอกพอมันดิ้นเนี่ยแหละความแรงมันจะเล่นงานคุณละยิ่งคุณตั้งไว้ยาวเท่าไหร่นะยิ่งตั้งกําหนดไปไกลเท่าไหร่เนี่ยโอโ้ยิ่งดิ้นแรง บางคนเนี่ยวันแรกทําไปได้ก็ยังสบายๆใช่ไหมพอชักมันที่สองมันที่สามโอ้โหเขาเนี่ยมันยิ่งดิ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉนั้นถึงบอกว่าถ้าจิตใครเนี่ยไอตอนที่มันดิ้นทุรนทุรายอยู่นี่แหละถ้าคุณไม่ทันมันเนี่ยแล้วคุณไม่รู้จักปรับความคิดนี่แหละที่บอกว่าทําไมจิตตัดไม่ได้เลยคือถ้าเราเนี่ยไม่ฉลาดพอไม่ใช้สติปัญญาไม่ใช้การวิปัสสนา นะคุณจะต้องใช้ทุกวิถีทางของจิตเลยที่จะดึงเหตุผลดึงศรัทธาดึงความเชื่อมั่นนะดึงอะไรบิติหรือว่าสุขหรืออะไรคุณดึงมาได้คุณต้องดึงมาเพื่อที่จะเอามาสู้กับไอ้กิเลสที่มันดิ้นอยู่เนี่ยถ้าคุณสามารถที่จะดึงมาสู้ได้จิตคุณจะเบาลง เพราะว่ามันจะเอามาอะไรอ่ะจัดการเอามาทําให้ไอ้กิเลสที่มันดิ้นอยู่เนี่ยแล้วมันสงบระงับลงไปอ่ามันมันค่อยๆโดนเราเพูดง่ายจัดการมันลงไปเนี่ยกิเลสมันก็จะเบาลงเบาลงอ๋อถ้าเก็บกดก็อย่างที่บอกไงก็คุณทํากายกรรมอย่างที่อาจมาบอกคุณทํากายกรรมคุณทําวัจีกรรมแต่ใจคุณเนี่ย ยังคิดยังโหยหาอะไรอวรคุณคิดแบบอยากอยู่ตลอดเวลาเลยใจคุณไม่ได้คิดผลักมันออกจริงๆริงไงใจคุณยังดูดอยู่ตลอดเวลาแต่คุณคุณพยายามบังคับจิตคุณเนี่ยให้ฝืนให้มันทํากายกรรมได้ให้มันทําวิจีกรรมได้แต่จิตคุณคุณยังฝืนมันไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยเก็บกดเนี่ยจะเก็บกดไปเรื่อยไปไม่รอดหรอกไปไม่รอด เพราะนั้นถ้าจะเลิกความรู้สึกเก็บกดนี่ไปได้เนี่ยนะถึงบอกว่าคุณจะต้องหาผู้ช่วยเข้ามาไม่มีอะไรช่วยเราได้หรอกมันก็คือจิตเราเนี่ยต้องช่วยจิตเราเองนี่แหละทำไมท่านบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโธเนี่ยตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะว่าอันนี้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยต้องต้องอาศัยจิตของเราเองเท่านั้นที่จะช่วยเราได้เพราะอันนี้มันเป็นเรื่องความคิดของเรา ที่คุณทุกข์ที่คุณกุ้มเนี่ยคุณกุ้มเพราะความคิดคุณนะเพราะคุณปรับจิตคุณได้เนี่ยคุณจะหายทุกข์กุ้มเลยถ้าคุณปรับได้ไม่ว่าเรื่องอะไรในโลกเนี่ยคุณปรับจิตคุณได้นี่คุณหายทุกข์กุ้มแต่ถ้าคุณปรับไม่ได้เนี่ยนะไอความรู้สึกที่สมมุติเราดูดอะไรเรื่องอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหมันก็เล่นงานคุณแบบว่าต้องไปเอาต้องไปซื้อต้องไปกินต้องไปใช้ไอสิ่งนั้นต้องมีมาเป็นเจ้าครอบเจ้าของ เนี่ยมันก็จะบีบคั้นคุณตลอดเวลาเลยจนในที่สุดคุณคุณทนไม่ได้คุณก็ต้องไปกินไปเสพไปใช้สิ่งนั้นๆแต่ตอนนี้พอเรางดเว้นมันใช่ไหมเราห่างมันออกมาแล้วเราก็สร้างผู้ช่วยในจิตของเราโอ้โหนี่เรางดเว้นได้นี่เราเริ่มเดินตามรอยพระอราหันต์นะโอ้เดินตามรอยหลายๆคนจาก ตั้งพ่อท่านทั้งสมณะทั้งนักบวชทั้งโอ้โหเพื่อนชาวโสดังหลายคนนี่เขาก็ทํามาได้บอกโอ้โหเรากําลังแหมเข้าหมู่เข้ากลุ่มได้อย่างเป็นผู้ที่จะทําให้สืบต่อหมู่กลุ่มนี้ไปได้อีกนะเนี่ยวิธีคิดที่จะทําให้เราเนี่ยมากําหลาบไอ้กิเลส ท, ที่มันดิ้นอยู่เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็จะโผล่เหตุผลขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน เหตผมจะโผล่ขึ้น เ, เรื่อยๆโผล่ขึ้น เ, เรื่อยๆโผล่ขึ้นเรื่อยๆเล ย, นเล ย, เลยจนในที่สุดเนี่ยถ้าคุณเนี่ยไม่สามารถมีตัวไปชนกับมันไปสู้กับมันไปล้างมันทิ้งได้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยคุณก็พยายามกดดันเอาไว้ใช่ไหมเก็บกดไว้นะแต่กําลังคุณสู้ไม่ได้เนี่ยในที่สุดคุณก็จะแพ้ก็หมายถึงว่าระเบิดแล้วศีลหรือตะบะข้อนั้นเราก็จะล้มไปก็ต้องเลิกไปเนี่แหละ วอันเนี้ยอันเนี้ยนะถ้าถ้าคุณเข้าใจแค่ลักษณะอย่างนี้ได้อันนี้เล็กี่พูดไปเนี่ยพูดแต่ตัวดูดคราวนี้อีกตัวหนึ่งสมมติว่าเป็นตัวผลักนะลเกี้นี่เป็นตัวสายกามอันนี้มาสายโทรสะถ้าเป็นสายโทรสาเนี่ยเราเกลียดอะไรอ่ะเราชังอะไรเราไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่จะเรื่องอะไรจะกับบุคคลจะกับข้าวของนะอย่างเช่นบางคนเนี่ย รองเท้าไม่ชอบเลยรองเท้าแบบนี้ไม่ชอบใส่เลยนะชอบแต่รองเท้าที่ตัวเองชอบอะ่ะไออย่างที่ไม่ชอบก็ไม่ใส่เลยหรือเสื้อผ้าอย่างเงี้ยบางทีเสื้อผ้าแบบนี้ไม่ชอบเลยไม่เอ า, าไม่ใส่เพราะฉะนั้นคราวนี้คนนี้จะฝึกล้วนะจับกิเลสตัวเองได้แล้วว่าฉันไม่ชอบแบบนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นสัญญาอยู่ในใจคนนั้นเหมือนกันว่า คือพอไปแตะเรื่องนี้เมื่อไหร่เนี่ยคนที่จะผลักทันทีเลยจะผลักทันทียิ่งถ้าอย่างนั้นยิ่งยิ่งเข้ามานียคือเราผลักออกแต่ว่ามันยิ่งเข้ามาเนี่ยเพราะั้นคนนั้นจะยิ่งทุกข์จะยิ่งเดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่าจิตที่ไปตั้งเอาไว้ว่าว่าฉันเกลียดฉันเกลียดฉันไม่ชอบเพราะสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะผลักออกไม่ไม่ไม่อยากให้มันเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยพลัดพราก จากของที่รักเป็นทุกข์แล้วทีนี้สายดูดแล้วทีนี้คือพลัดพรากจากของที่รักก็เป็นทุกข์แต่ตอนนี้กําลังพูดถึงประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การวันจุดใหญ่ๆเนี่ยสองประเด็นนี้วันคราวนี้พอเราจับได้มาเออสิ่งนี้เราเกลียดนะเราไม่ชอบอยกตัวอย่างง่ายที่สุดคือเสื้อผ้าแบบเนี้ยฉันเกลียดฉันไม่ชอบ หรือบางคนไม่ชอบกินอะไรบ้างอะสะตอสะเดาเออมาละคือคื อ, คอมันก็เป็นของที่มีประโยชน์เนี่ยแต่เราไม่ชอบอะเห็นเมื่อไรเจอเมื่อไรนี่ผักทันทีเลยเพราะถ้าใครเนี่ยปล่อยจิตะทุกครั้งพอไปเจอสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็สร้างอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้ตลอดคนนั้นก็เพิ่ ม, เ พ, ม, เ, พมเพิ่มตัวผลักอยู่ตลอด แต่ตอนนี้เรากำลังจะลดกิเลสตัวผลักใช่ไหมวิธีแก้ก็คื อ, อวิธีแกอก็ต้องก็ต้องเข้าหาใช่ไหมอย่างเช่นถ้าทางกายกรรมเป็นไงเวลาอาหารพวกนี้เห็นแล้วก็หัดซื้อมาบ้างหัดหยิบมาบ้างใช่ไหมหัดเอามากินบ้างหรือหัดเอามาใช้บ้าง ถ้าเป็นวจีกรรมอ่ะคราวนี้พอเห็นมาละเห็นอะไรอ่ะสตอเห็นอะไรที่เราไม่ชอบนี่เป็นไงวัชยกรรมจะแก้อย่างไงฮะมีประโยชน์จังเลยเหรอเกิดไปแล้วมั้งไงท่านโกหกหรือเปล่า <c oughs> บอกแล้วนะต้องไม่ใช่การโกหกนะัไม่ใช่อย่างที่อาจามาเคยบอกอ่ะบางคนเนี่ยอดอาหารเนี่ยสมมุติวันนี้มัธยัต อดอาหารจริงๆนะโอ้โหท้องร้องขมขำขม ข, ม ข, ม ข, ม ข, มขมหิวก็หิวนะเสร็จแล้วก็บอกไม่หิวไม่หิว <c oughs> <c oughs> เนี่ยโกองตัวเองอย่างนี้ไม่ไม่ได้ผลหรอก <c oughs> การคําพูดอะไรเนี่ยที่พูดแบบตรงข้ามจริงๆมันจะมาหาักล้างกันาดใช่แต่ถ้าคุณพูดตรงข้ามโดยที่มันไม่ใช่สภาวะจริงนะจิตมันมันไม่ยอมรับหรอกคุณ <c oughs> มันกลายเป็นคุณชแล้วไม่ได้ผล เหมือนอย่างที่อาจมาเคยบอกพวกเราว่าบางทีเราไปดูไอ้ข้าผา่าศพไปดูไอ้พวกดอกไม้งามเงี้ยไปดูเสร็จแล้วก็ไปปงอัสุภาพเงี้ยใ่ไหมพอเวลาไปดูศพมันก็ต้องดูตามความเป็นจริงใช่ไหมว่าโอ้โหบางทีอะไรอะ่ะเออเน่ามัง่งแล้วก็เหี่ยวแห้งมัง่งเหลือแต่กระดูกมัง่งใช่ไหมเราก็ดูไปตามจริงไงแม่แต่พอเราดูไปตามจริงอันนี้ แล้วก็บอกว่าเอาดูให้ได้เห็นไหมนเนี่ยเนี่ ย, ยโอ้โหแต่ก่อนนี่สวยงามอย่างนี้อย่างงี้ห น, าน้าตาที่สุดก็ต้องไป ง, งี้เหมือนกันอ่ะอ่ เ, อเวลาพูดมันพูดได้นะแต่พอคนนี้บอกว่าเอาไปใช้ใช่ไหมเอาไปเจอผู้หญิงสวยๆหรือเจอผู้ชายหน้าตาดีๆบอกว่าเอาน่ามองให้เป็นกระดูกคุณทําได้ไหมทาไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ความเป็นจริงอ่ะคือคืออันนี้อาตมาพูดถึงคนที่ที่เขายังมีกิเลสอยู่ มากพอสมควรเลยนะคือให้ไปอย่างนี้เลยเนี่ยเขาทำไม่ได้หรอกแต่ยกเว้นคนที่ฝึกมาบ้างแล้วเนี่ยหรือว่ามีบุญบารมีเก่าอะ่ะทำได้คือคือสามารถที่จะอะไรอะ่ะใช้สติปัญญาเนี่ยคิดพิจารณาเปรียบเทียบแล้วก็เห็นสภาวะได้ว่าเออก็สวยหรอยังไงเดี๋ยวก็ต้องมาเน่าหรือแต่ิีโครงหรือแต่อะไรอย่างนี้ใช่มีกำลังจิตพอที่จะพิจารณาอย่างนี้ได้ แต่ถ้าตอนที่ยังมีกิเลสอยู่มากเนี่ยไม่มีทางหรอกอนมายืนยันได้เลยว่าไม่มีทางมันมันมันมันข้ามขั้นตอนมากเกินไปเพราะกาลังจิตเขาไม่พอยกเว้นอยู่กรณีเดียวอย่างที่บอกว่ามีบา ร, รมีเก่าถ้ามีบา ร, รมีเก่าอยู่แล้วเนี่ยเหมือนอย่างก็ว่าเคยฝึกมาแล้วไงเคยทำมาแล้วเพราะฉะนั้นเพียงแค่ได้ยินได้ฟังอย่างนี้ปั๊บปรับจิตได้เลยทำจิตได้ทันทีเลยพิจารณาเป็นอสุอสภาพปับ๊บ โอ้โหราคะนี àn, roster, ่กามนี่จางคายทันทีได้เลยอันนี้เขาเขามีบุญเก่าอ่ะเขาถึงทําได้อย่างนี้ทันทีแต่ถ้าคุณไม่ได้สะสมมารับรองคุณไปพิจารณายังไงนี่ไม่มีทางหรอกก็เห็นอยู่ชัดๆนะพอเอ้ยก็นหน้าตาเขาดีออกอย่าไปให้เห็นเป็นกระดูกกระเดี่ยวอะไรไงมันไม่มีทางคิดยังไงมันก็คิดไม่ออกอ่ะถึงคุณจะพูดบอกว่าดูดีๆทีดูดีๆที ดูยังไงมันก็ยังเห็นตามที่ตามันเห็นเนี่ยเออก็มันยังไม่ตายเออมันก็ยังเป็นเนื้อหนังตัวบุคคลดีๆอยู่เพราะฉะนั้นจิตมันไม่ไประจิตมันไม่ยอมตามไปด้วยเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยพอเวลาเราจะมาสู้กิกกเลส ต, ตัวผลักจริงแล้วก็บอกว่าต้องคิดโดยการที่ใช้ตรงขัางข้ามใช่ไหมใช้แล้วกี้บอกแล้วกายกรรม คิดแบบแบบดูดเข้ามาได้ไหมนะวัตถกรรมอ่ะกูลก็บอกแล้วว่าอ่ ะ, อะพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้แต่ที่สําคัญคือมโนกรรมว่าคุณคิดแบบดูดได้ไหมถ้าในขณะที่คุณทํากายกรรมคุณก็บอกเออหน้าดีหนะ้าเป็นประโยชน์นะนะไอ้มะระนี่แหมดีนะเป็นประโยชน์นะกินแล้วสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะแล้วเราไม่ค่อยกินเราก็ขาดเกลือแร่ไอ้วิตามินแบบนี้ เรากินไปก็จะยิ่งยิ่งครบทาดอาหารคุณพูดนะคุณพูดได้แต่จิตมันยอมตามคุณไหมเนี่ยเรื่องของเรื่องเพราะบางคนเนี่ยกายกรรมเนี่ยฝืนได้นะบังคับได้วัตถกรรมฝืนได้บังคับได้แต่มโนกรรมเพราะฉะนั้นคราวนี้จะต้องพยายามเขาเรียกว่าต้องใช้ฤทธิ์ทางใจต้องใช้ฤทธิ์ทางใจแล้วคุณจะต้องสร้างจิต หรือว่าบังคับจิตต้องสู้เพราะว่ากิเลสนนมันจะดึงคุณให้ผลักให้เกลียดอย่าไปหยิบมาอย่าเอามากินนะ ข, ข, ข, ขมทั้งอะไรเฝื่อนทั้งฝาดอเอามาทําไมคืนเนี่ยมันจะเล่นงานคุณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องปรับกิตคุณคุณจะต้องใช้เหตุผลหรือว่าใช้ปัญญานี้ปัญญาญานี่ที่คุณมีเนี่ยเอาเอาเข้ามาเอาเข้ามา Thank you.